พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบรอค่ะรายการสันสนีสนทนานะคะและแล้วเราก็ก้าวผ่านเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่สองของปีมาสู่เดือนที่สของปีจนได้นะคะเวลาเดินไปอย่างไม่มีหยุดยั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็มีวันสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่เขายกย่องให้เป็นวันที่มีความหมายสาหรับคนมีความรัก วันปีใหม่ของคนจีนอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้พอมาถึงเดือนนี้เราอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่มีวันสำคัญเพราะดิฉันก็ดูปฏิทินเนี่ยที่เห็นอยู่วันสำคัญชนิดที่ว่าได้หยุดกันอย่างเป็นทางการในประเทศไทยไม่มีถ้าจะมีสำหรับคนที่สนใจเรื่องพระเรื่องเจ้าก็มีแค่วันพระเพราะบางคนก็จะมีกาหนดหมายไว้ว่าจะ รับประทานอาหารมังสวิรัตบ้างจะถือศีล8ดบ้างทำอะไรที่พิเศษมากไปกว่าปกติว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทีนี้เรามาพบกันแล้วรายการนี้ก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm 1 0 6แล้วก็มีท่านพินบูลอภิปุนโนซึ่งวันนี้จะเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะท่านจะพาพวกญาติโยมของวัดป่าดอนหายโศกไปจาริกแสวงบุญที่สังเวชนียสถานสถานที่สาคัญของพระพุทธองค์ อย่างดินแดนอินเดียแล้วก็เนปาลแต่ว่าท่านก็ฝากเสียงเอาไว้กราบนมัสการนะคะท่านพิบูลคะ่ะเจปาลค่ะป่านนี้นท่านอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบนะคะเนี่ยวันที่สามเลค่ะคงอยู่สักที่หนึ่งในในประเทศอินเดียนะตามกำหนดจุด <คำ S 1> หมายแรกคือพุทธคยาไหมคะท่านคะใช่ใช่ใช่ตามกําหนดเนี่ยท่านคงจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกําหนดโปรแกรมเองเลี้ยงกราบเรียนถามท่านเลยว่าวันแรกในทําอะไรกันคะไปถึง ก็ไปถึงที่พุทธคยาแล้วก็นังสมาธิาฟังพระสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ที่พุทธคยาค่ะนัคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าไลฟฟังค่ ะ, ค, ะคือตัวท่านเองก็ไม่ได้ไปที่อินเดียครั้งแรกถูกไหมคะใช่เ<ช><ไ>วท่านไปมากี่ครั้งคะโอ้ไปมาหลายรอบแล้วนะครั้งนี้จะต่างกับครั้งอื่นๆอย่างไรคะเพราะว่าครั้งนี้เรามีการเตรียมการอย่างดีค ะ, ะคือเรามีการเตรียมพระสูตรแต่ละที่ไวอ้อย่างเรียบร้อยครบถ้วน ก็เรียกว่าพอใจละพูดกันจนพอใจในแต่ละที่เราก็เป็นระบบ2ภาษาเนื่องจากว่าคือบางครั้งเนี่ยที่ที่ไปที่ผ่านๆมาแต่มาก็จะสังเกตเห็นว่าเราไปก็จะไปสวดมนต์บ้างเดินจงกรมเดินเวียนเทียนรอบเจดีย์อะไรต่างๆซึ่งรูปแบบการบูชาอย่างนั้นก็ทำได้ในกระดาการบูชาก็พูดถึงการปฏิบัติบูชาใช่ก็เลยคิดว่าจะนาพระสูตร คือเมื่อที่เราสวดภาษาบาลีเราก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงอะไรเราก็เลยอยากจะพูดเป็นภาษาไทยแต่นี้ <Okay. S 1> ถ้าเราไปพูดไทยเมืองอินเดียเนี่ยเดี๋ยวคนพื้นพื้นบ้านที่นู่นแร้วคนพื้นเมืองที่นู่นเขาก็อาจจะงงว่าเออเราพูดอะไรกันเราก็เลย <c oughs> ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยนะให้เขาได้ประโยชน์ด้วยว่าสถานที่ตรงเนี้ยที่คุณอยู่เนี่ยคุณมาเป็นประจำอยู่บ่อยกว่าฉันเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้นะอย่างนี้ค่ะเท่ากับว่าท่านไม่ได้แค่เอื้อเฟื้อคนท้องถิ่นนะคะ ทานกุหลาจะเอื้อเฟื้อให้กับพุทธศาสนิกชนที่หลังไหลมาจากทั่วทุกทิศของโลกมารวมกันอยู่ณที่นั้นแล้วก็เราก็จะมีหนังสือแจกน ะ, ะซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมพระสูตรนี่แหละที่จะอ่านให้ฟังนะเป็นไทยอังกฤษนะตามแต่โลเคชันต่างๆจะยังขอสิทธิพิเศษสักเล่นได้ไหมคะ <laughs> <c oughs> ขออนุญาตกลับขอทางอากาศเลยก็แล้วกันเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะพูดเรื่องราวที่ แน่นอ น, นคำสอนพระเาเป็นเรื่องราวที่เกิดที่ชมพูทวีทั้งหมดเลยที่อินเดียเนปาลต่างๆเหล่านี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นในช่วงของการปฏิบัติตอนต้นของรายการไม่ทราบว่าท่านจะนําด้วยพระสูตรใดค่ะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอท่านพระองค์คุลิมา น, นที่เรื่องนี้ปรากฏอยู่ที่เมืองสาวัตถีคือตอนนั้นท่านพระองค์คุลิมานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และวเมืรู้เป็นพระอรหรรันต์แล้วแล้วก็นั่ง สมาธิเสวยวิมุตติสุขอยู่นั่นคือความสุขที่เกิดจากความสงบระงับแล้วคือตอนนั้นท่านพระองค์ุลิมานก็นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบนี่แหละแล้วก็มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าในขณะที่ท่านมีสติสัมปชัญญะนันิ่งจิตสงบอยู่เนี่ยก็ได้เปล่งอุทานขึ้นมานเป็นคําที่เป็นคาถาคาถานี้เป็นคาถาที่สําคัญในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่อย่างนี้ก็ใคร้โครนเนื้อความนี้ของท่านพระองค์กุลิมานไปด้วย มีความหมายลึกซึ้งด้วยในท่านเล่าไว้อย่างนี้ว่าก็ผู้ใดเมื่อก่อนประมาทภายหลังผู้นั้นไม่ประมาทเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดังพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นผู้ใดทากรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจันทร์ซึ่งพลนแล้วจากเมฆฉะนั้นเธอผู้ดายแลยังเป็นหนุ่มย่อมขวนขวายในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ซึ่งพลนแล้วจากเมฆฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังธรรมกถาเติดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวาย ในคำสอนของพุธธทธเถิดขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรู ข, ของเราจงคบสัตบุุษผู้ชวนให้ถือธรรมะเถิดขอจงคบความผ่องแพ้วคือขันติความสันเสริญคือเมตตาเถิดขอจงฟังทำตา ม, ามการและจงกระทำตามธรรมนั้นเถิดผู้ที่เป็นศัตรูไม่พึงเบียดเบียนเรา หรือใครๆอื่นนั่นเลยพูดถึงความสงบอย่างยิ่งแล้วพึงรักษาไว้ซึ่งสัตว์ที่สะดุง้งและที่มั่นคงคนทดน้ำย่อมชักนำน้ำไปได้ช่างสอนย่อมดัดลูกศรได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ชันใดมนฑิตั้งหลายย่อมฝึกตนได้ฉะ น, นั้นคนบางพวก ย่อมฝึกสัตว์ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแท้บ้างเราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อาจญาไม่ต้องใช้ศาสตราเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอาหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงเราไม่เบียดเบียนใครๆเลยเมื่อก่อน เราเป็นโจรปรากฏชื่อว่าองคุลิมนันทูกกิเลสดุดห่วงน้ำใหญ่พัดไปมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้วเมื่อก่อนเรามีมือเปื้นเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลิมนันจึงถอนตัญหาอันจะนำไปสู่พพเสียได้เรากระทำกรรมที่จะทำให้ถึงทุกติเช่นนั้นไวมาก อันวิบากของกรรมถูกต้องแล้วเป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะพวกชนที่เป็นพานสามปัญญาย่อมตามประกอบซึ่งความประมาทส่วนนักประมาททั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบตามซึ่งความประมาทอย่าประกอบตามความชิดจม ด้วยสามารถความยินดีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไพยบู์การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นเป็นการมาดีแล้วไม่ปราศ จ, จากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคสมจำแนกไว้ดีแล้วเราก็ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุด การที่เราได้ถึงอันประเสริฐสุดทำนี้แลเป็นการถึงดีแล้วไม่ปราศ จ, จากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดวิชาสามเราบรรลุแล้วคำสอนของพุทธเรากระทำให้แจ้งแล้วดังนี้อันนี้เป็นคถาเนาะก็ยาวพอสมควรนะนั่งสมาธิกันได้พอสมควรเลยคือว่านั่งสมาธิกันได้ยาว ดังนั้นสำหรับท่านผู้มาใหม่อาจจะยั ง, งงงอยู่ก็จะกลับเยนให้ทราบว่ารายการสัสนิสนทนาเราตั้งต้นรายการกันด้วยการให้ท่านได้มีการทำสมาธิจะได้เป็นการสร้างกุศลในตอนต้นแล้วก็เป็นการสะสมความชำนาญของการทำสมาธิพร้อมกับฟังพระสูตรที่สำคัญสาคัญนั่นเป็นการพูดของพระองคุลิมานใช่ถูกคะเป็นคาของท่านพระองคุลิมานเองค่ะดิฉันเนี่ยจได้ตอนเป็นเด็ก เราจะนึกภาพองค์คุลีมานแ ล, ล้วกลัวๆนะคะว่าเป็นคนที่ชอบฆ่าคนแลว้วพอฆ่าคนเสร็จก็เอานิ้วใช่ไหมคะมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องไว้พวงมาลัยคล้องไว้รอบคอและสุดท้ายเนี่ยดิฉันทบทวนความจําอีกครั้งหนึ่งว่าในขณะที่มาปฏิบัติสมาธิเนี่ยได้บรรลุทำอย่างไรแล้วหรือยังคะตอนที่บวชนั้นยังไม่บรรลุทำอะไรเลย อ๋อตอนทําสมาธิที่ได้กล่าวในสิ่งที่เป็นพระสูตรนี้ยังไม่บรรลุอะไรเลยเออคือตอนที่กล่าวเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันและวอ๋จึงได้กล่าวคําพวกนี้ออกมาอ่าขอขอถามย้อนไปอีกหน่อยได้ไหมคะอคือก่อนจะมาบวชน่ะก็โหดร้ายซะขนาดนั้นใช่ทไมถึงได้มาบวชได้ค่ะก็คือเฉลยมันอยู่ตรงนี้ไงคุณโยมติ๋วเฉลยของตรกะความคิดของท่านพระองค์กุลิมาเนี่ย ซ, ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพระรูชาไปแบบว่าไปปรากฏตัวพูด34คําเอ๊ะทำไมองค์ุลิมามาบวชได้ต่างต่างที่ตัวท่านเองก่อนมาบวชเนี่ยสำนวนเขาใช่งี้เลยนะเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายนะทำบ้านนิคมชนบทไม่ให้เป็นบ้านนิคมชนบทเข่นฆ่ามนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้นี่เขาเรียกว่าเป็นฉายาเป็น ถ้าใครพูดถึงองคกุลิมาเนี่ยจำบทพยัญชนะนี้ไปเลยนะเป็นการอธิบายความความความไม่ดีของท่านะค่ะความโหดร้ายเหมือนอย่างเมตตาใช่เหมือนอย่างถ้าเราพูดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราก็จะพูดถึงอิทิวิโสพะควาอัลังสมมาสัมพุทโธอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเป็นพวงที่เขาจะอธิบายว่าพุทธะเป็นอย่างนี้นะเป็นผู้ที่มีวิชาสามีจารณะอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าองค์กุลิมานน่ยก็ต้องพูดถึงคํานี้เลยมีใจหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดอย่างนี้นะซึ่ง เหตุที่ทําให้ท่านมาเป็นอย่างนี้นะเราก็จะไม่เท้าความตรงนั้นแหละเราจะพูดถึงตรงที่ว่าตั้งแต่ตรงที่ว่าพอท่านเนี่ยมีใจปักใจมั่น9ก้า้อ้าสบเ้าศพแล้วเนี่ยเป็น serial killer ชนิดที่เรีว่ายิ่งกว่าใครๆในยุคปัจจุบันด้วยนะ <Yeah. S 1> ถ้า serial killer ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็อย่างมากก็สบิสบศพยี่สิบศพอย่างนี้ใช่ไหมแต่ <Okay. S 1> อุลุมาเนี่ 99, เ9เ้าสิบเก้าเก้าร้ยเ9้าสบเก้ศพะที่นับได้นะ <Okay. S 1> อที่ยังนับไม่ได้นี่อีกเยอะอยู่ แล้วก็มีความโหดเหี้ยมขนาดว่าตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาหลัยใครเห็นก็กลัวแล้วก็ไม่ใช่แค่ความโหดเหี้ยมตรงนี้แต่ความสามารถก็มีด้วยสามารถที่จะวิ่งตามรถที่ขับมาอย่างเร็ววิ่งตามช้างม้าวัวควายอะไรที่วิ่งมาอย่างเร็วเนี่ยคน30คน40คนรวมกันเข้ามาจะจับท่านองค์กุลิมานี้ก็จับไม่ได้นะมีความสามารถในเพลงยุทธอย่างยิ่งนะว่างนั้นทีนี้พ อ, อพรนะเจ้าตอนนั้นไปบินบาบ ในกรุงสาบพิีก็ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปหาองค์กุลิมานนะก็เลยเมีคนเตือนในะระหว่างเดินทางไปว่าทางนี้เขาก็เตือนว่าทางนี้เป็นทางที่องค์ุลิมานอยู่พระเจ้าอย่าไปนะสมณะอย่าไปทางนั้นพระุทธเจ้าก็นิงนะก็ยังเดินไปประเด็นที่อธิบดีต้องการจะพูดถึงในที่นี้ก็คือว่าพอท่านพระองค์กุลิมานเนี่ยเห็นพรนะพุทธเจ้าแล้วก็ก็เลยคิดว่าโอ้นาฬิกาจริงทำไมพวกสมณะคนนี้ถึงเดินมาคนเดียว นะคนสามสิบสคนเรายังสู้ได้คนนี้มาคนเดียวสบายมากฉันจะฆ่าเสียแล้วก็เลยจะวิ่งตามไปข้างหลังแล้วก็จะไปเฉาะคอที่คออย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> แต่ปรากฏว่าตอนนั้นพระรูชาก็ใช้อิทฤทธิ์นนในการที่ให้ท่านเนี่ยเดินไปธรรมดาแต่ว่าองคุลีมาเนี่ยวิ่งจนสุดกําลังก็ไม่สามารถตามท่านที่เดินไปตามธรรมดาได้องคุลิมาตอนนั้นก็เลยงงว่าเอ๊ะ hey, ทำไมฉันฉันวิ่งไม่ทันในะทางๆ ท, ที่สมณะคนนี้เดินไปตามปกติแต่ เราก็เลยถามถามว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเลยตะโกนบอกให้พระพุทธเจ้าหยุดองค์กุลิมานก็พระพุทธเจ้าได้ยินดังนั้นก็เลยตอบท่านองค์ุลิมานโจรตอนนั้นเป็นโจรอยู่บอกว่าเราหยุดแล้วท่านสิท่านหยุดเถิดเราหยุดแล้วองค์กุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดว่าอย่างนี้พอได้ยินคํานี้องค์กุลิมานก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมเราหยุดแล้วแล้วทําไมบอกเรายังไม่หยุดแต่ท่านหยุดแล้ว ก็เลยถาม <Okay. S 1> นะด้วยเป็นคําที่เป็นคาถาคือในสมัยก่อนก็อาจจะเป็นเป็นลักษณะว่าแต่งโครงกรอนพูดกันนะเหมือนกับที่ในประเทศไทยเขามีอะไรนะคุณยมติวที่เป็นเพลงขับใช่ไหมค่ะมีสารพัดเพลงอะค่ะเอ อ, เ อ, อ <c oughs> ที่ <c oughs> ฝ่ายชายฝ่ายหญิงแต่งเป็นกรอนโต้กันไปโต้ก <c oughs> ันนะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ก็เป็นลักษณะนั้นว่าท่านองค์ุลิมานก็แต่งกรอนถามนะบุรเจ้าก็แต่งกรอนตอบนะโดยพูดอย่างนี้บอกว่าท่านเดินไปยังกล่าวว่า ท่านกำลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดในขณะที่ตัวองค์กุลิมาหยุดในยังกล่าวว่าเรายังไม่หยุดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรแต่พระเจ้าก็ตอบว่าตัวพระองค์เนี่ยวางอาทยาในสัตว์ทั้งหลายแล้วชื่อว่าหยุดแล้วแต่องค์กุลิมานเนี่ยยังไม่สํารวมในสัตว์ทั้งหลายชื่อว่ายัางไม่หยุดแต่พูดแค่นี้เองนะแค่ประมาณแค่คาถาแค่สองบรรทัดแค่พูดแค่นี้ แล้วมาเขามานั่งคิดนะคุณโยมติว่าเอ๊ะทำไมท่านองค์ุลิมานถึงบวชได้นะคือพอพูดอย่างนี้ปุ๊บองค์กุลิมานมีตะกะความคิดในตอนนั้นเป็นโจรอยู่นะมีตะกะความคิดว่าพวกสมณะเนี่ยนะมีคุณวิเศษที่ทําให้พวกเทวดามนุษย์บูชานะแต่ว่ามาถึงป่าใหญ่เพื่อจะเสด็จสงเคราะห์ตัวเราแต่ถ้างั้นเราจะประพฤติละบาปล่ะจะประพฤติประมาจันด้วยการฟังคาถาก็จึงทิ้งอาวุธทิ้งดาบลงไปในหน้าผาแล้วก็ทูลขอบวช ในตรงนี้เป็นสิ่งที่อะไรมางงว่าเอ๊ะทำไมท่านองค์ุลิมานถึงคิดอย่างนั้นค่ะเนะ่ซึ่งคําตอบของเรื่องนี้มาอยู่ในที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการนะที่ตอนนั้นท่านองค์ุลิมานบรรลุแล้วแล้วก็มาพูดถึงตรงนี้ในะมีช่วงหนึ่งที่ได้พูดเมื่อตอนต้นรายการท่านองค์ุลิมานบอกงี้บอกว่าคนทดน้ําย่อมชักน้ําไปได้นะช่างสอนย่อมดัดลูกศรได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ นะบัณฑิตก็ย่อมฝึกตนได้ขนณะสัตว์ถูกฝึกด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแสบบ้างแต่เราอันพระผู้มีพระภาคฝึกโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สัตว์ตราเอาแค่ตรงนี้นะคุณยมติยวค่ะลองคิดดูยังเขามีกังหันน้ําที่วิดน้ําขึ้นในเวลาที่เขาทำนาเนี่ยเขาจะวิดน้ําจากแม่น้ําขึ้นไปในนาแปลงนาของเขาเขาก็าจะมีการทดน้ําระบบการทดน้ําเป็นกังหัน นะซึ่งองค์ุลีมานตอนนั้นนะเป็นโจรก็มาพิจารณาว่าเ อ, อขนาดน้ํานี่มันยังไม่มีจิตไม่มีใจมันยังบังคับได้นะหรือว่าช่างสอนเขายังดัดลูกศรไม้ที่มันไม่ตรงเนี่ยดัดให้มันตรงได้นะเขาทำได้หรือว่าคนถากไม้หรือช่างไม้เนี่ยเขายังเอาไม้มาทําเป็นแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆ่เ อ, อ๊ะแล้วทาไมเราเองที่มีจิตมีใจจะฝึกไม่ได้นะ<ะ>นี่เกี่ยวกับความคิดข้อที่หนึ่งข้อที่2อนั่งทั้งที่สัตว์บางทีเนี่ย เราจะฝึกช้างฝึกม้าเนี่ยื่อที่เราก็ตีมันบ้างนะีใช้อัดยาบ้างด่ามันบ้างไม่ให้มันกินบ้างให้มันอดบ้างอะไรต่างๆแต่การฝึกของพระเจ้าเนี่ยมาถึงที่นี่นะี่ยโดยไม่ต้องใช้อัดยาไม่ต้องใช้สัตว์ตราเนะี่ก็ยังมาหาองค์กุลิมานทําให้ท่านองค์กุลิมานเนี่ยมีความคิดว่าเออทั้งนั้นฉันไปฝึกดีกว่าเนะี่ยฝึกใจให้มันดีให้มันเด่นขึ้นมาเนะีให้มันทรมานตัวเองได้ฝึกใจได้ตรงนี้ ก็เลยมีความคิดว่าจะฝึกให้มันดีนี่นี่ความเห็นของอาตมานะคิดว่ายัางงี้ค่ะคือดิ่ฉันฟังมาตั้งแต่ตอนต้นพระสูตรยาวๆขององค์ุลิมานเนี่ยนะคะอืออก็มีความรู้สึกมีข้อทําอยู่เยอะไปหมดเลยแต่ที่ท่านบอกว่าองค์คุลีมานมาบวชเนี่ยทีฉันเข้าใจว่าประโยคแรกมากกว่านะคะอือเป็นประโยคที่น่าคิดมากเพราะดี่ฉันเข้าใจว่าองค์คุลิมาร้องเรียกให้ท่านหยุดเนี่ย เพลิดพระพุทธเจ้าอาจจะยังไม่ได้หยุดเดินก็ได้นะคะใช่แต่บอกว่าหยุดแล้วเป็นเรื่องของการาทำให้ฉุดคิดทําให้องค์ุริมาต้องคิดมากว่าเอ๊ะแล้วก็ดิฉันก็เลยคิดว่าองค์คุริมาคงจะเหมือนสามัญมนุษย์ทั่วไปมั้งคะก็รู้ว่าไอ้ที่ทําอยู่น่ะมันผิดชอบชั่วดี อ, อ, อย่างไรแล้วก็อยากกลับตัวแต่หาโ<ช> อ, อกาสไม่ได้ก<ช>็ไม่อยากจินตนาการต่อไปนะคะรู้แต่ว่าอองค์คุริมาเก็พูดถึงว่า ทำกรรมแล้วเนี่ยแก้ไขได้เพราะถ้ามาถึงธรรมของพระพุทธองค์สามารถที่จะแก้ไขได้แก้กรรมได้ะะด้วยค่ะถูกต้องทาให้ทำให้กรรมที่ทำมาเนี่ยสิ้นไปได้ค่ะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่บางคนอาจจะแบบโอ้โหให้เราเนี่ยใช้ชีวิตแย่ๆมาตลอดเลยนะคงจะหมดโอกาสแล้วสำหรับความดีทั้งปวง อ, อาจจะมีนะคะเผื่อมีอยู่เนี่ยก็ขอให้รู้เลยว่า องคุลิมานทำแล้วใช่ขนาดว่าเป็นมหาโจรมีฝ่ามือเปื้อนเลือดมีการปักใจมั่นในการฆ่าตีก็ยังฝึกได้ค่ะแล้วประเด็นคือไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตร์ด้วยนี่ถูกต้องค่ะสาธุค่ะคือบางทีเวลาที่เราเห็นปัญหาทางโลกเกิดนนก็เอาธรรมะไปพูดใช่ไหมคะมเราก็มักจะพูดในลักษณะนี้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ลงโทษ โดยอัดยาแต่ปรับให้คนที่มีอวิชชาเนี่ยมามองเห็นในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เรื่องเดียวกันไหมคะอย่างที่ดิฉันเข้าใจถูกต้องถูกต้องคือเป็นการคุ้มครองโดยธนะรรมในผู้ชายใช้ศัพท์นี้ค่ะอย่างเช่นว่าสมมติการอัดยาเนี่ยขยายความตรงนี้นิดหนึ่งอย่างเช่นมาเราออกกฎหมายมาใช่ไหมก็ต้องมีบทลงโทษแต่คุณเอาบทลงโทษตรงนี้ไปขู่เขาเฮ้ยคุณอย่าทำนะคุณอย่าทำ ม, นะมีระบบของตํารวจระบบของศาลเพื่อที่จะขู่คนที่ จะทำว่าอย่าทำแต่คำสอนพพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะคือคือไอเรื่องอาวุธนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมแต่อา ญ, ญานี่ก็ไม่มีเนี่ยไม่มีขอพระท่านโทษนะครับท่านบอกว่าถ้าสมมุติเป็นการออกกฎหมายเหมือนไปขู่ว่าจะลงโทษแต่ว่าคำสอนของพระพุทธองค์ไม่มี ไม่มีเลยสักคําสอนหนึ่งหรอคะที่บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นนะทําแล้วมันจะอย่างนั้นมันก็เหมือนขู่เหมือนกันนะคะเช่นอย่างสมมุติกรณีศีนะนะคะอืที่ดิฉันก็เพิ่งมาเข้าใจกระจ่างเมื่อศึกษามากๆเข้าว่าศีลของพระพุทธองค์เน้นทําให้เรากลัวการที่จะไม่ทําตามท่านไม่ทําตามไม่รักษาศีอืนเพราะว่าผลของมันถ้าอย่างเลวร้ายมากไปตกนรกได้อะไรอย่างเงี้ย น, นะคะเ ร, เราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โห หนักน่าสาหาัสากันนี้ก็เท่ากับขูมกันนะคะท่านค่ะารยอันนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นกฎของกรรมเป็นศีลนะแต่ว่าการลงอัจฉยะเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่ า, ามีการมีการเขาเรียกว่ามีการพิพากษาไงคุณโยมเตีวนะมีการพิพากษาโดยใครสักคนใดคนหนึ่งแต่ธรรมะของพระอาารยนี้ไม่ต้องมาพิพากษานะไม่มีศ <ขอ S 1> าล ไ, ไม่มีตำรวจ อ, อ๋อใช่ออมันจะนนต่างก<ล>ันตรงนี้เป็นผลของการกระทําใช่มันปรากฏของมันเองลงโทษเอง ไ, ไม่ไ <ป S 2> ต้องมีผู้ที่อยู่เหนือกรรมไปลงโทษใช่แล้วก็การกระทําตรงนี้ลองคิดดูบางทีเราฝึกสัตว์อย่างเงี้ยฝึกสุนัขฝึกช้างฝึกม้าบางทีต้องให้มันกินต้องให้มันอดนะแต่ถ้าการฝึกของพระุทธเาเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นะนะเราก็ทุกคนทําได้ถ้าเรามีใจมีกายขนาดตั้นพระองค์คุลิมานลองคิดดูในขณะนั้นยังแก้ไขได้ยังทําให้ดีขึ้นได้ค่ ะ, <น>ะซึ่งยังคิดว่าถ้าเราหวังประโยชน์ ไม่เพียงแต่แค่กับตัวเองแล้วก็พูดถึงประโยชน์กับสังคมเนี่ยนะคะาการที่จะทำให้สมาชิกของสังคมมีธรรมะเป็นจำนวนมากขึ้นก็น่าที่จะลดปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ดีที่สุดใช่ใช่มีรายละเอียดนิดนึงในเรื่องนี้น ะ, ะก็คือว่าท่านพระองคุลิมาตอนนั้นหนะลังจากที่บวชแล้วก็ไปบินบาทแล้วนะก็ไปเจอผู้หญิงที่คันแก่คลอดยากนะก็เลยมา กาบเรียนให้ผู้เชา่าฟังว่าเออเป็นอย่างนี้ไปเจออย่างนี้รู้สึกว่าสัตว์เนี่ยมีทุกข์มากมีความครับแค้นมากผู้เชา่าก็เลยให้ไปบอกให้ไปบอกบทพยัญชนะบทหนึ่งที่ไปบอกผู้หญิงคนนี้แล้วก็ทําให้ผู้หญิงคนเนี้ยเขาคลอดง่ายขึ้นมาแล้วก็เลยมีเป็นประเพณีที่ว่าพระอาจจะมาสวดองค์กุรีมานสวดให้ฟังเพื่อที่ให้ผู้หญิงคลอดง่ายอย่างงี้เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่มันมีในเรื่องนี้อ่นะค่ะเฉยพัดค่ะ ดังนั้นก็เท่ากับว่าวันนี้ได้รู้จักอ่าพระองค์คุลิมานมากขึ้นคือที่ท่านมาแนะนําเนี่ยใ ห, ให้รู้จักในฐานะเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเลยใช่แล้วก็ท่านในฐานะที่พบพบธรรมะมีพระพุทธเจเป็นที่พึ่งนั่นเองค่ะก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่สายกลับตัวกลับใจได้ฝึกได้ใช่เป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นบรรัณฑิตไหมคะโดยไม่ต้องยังไม่ต้องฝึกอะไรเนี่ย อย่างอย่างอย่า ง, งคื อ, คอไม่ไม่ใช่ที่ดีฉันต้องถามท่านเพราะว่าเหมือนกับบัณฑิตย่อมฝึกตัวเองได้ใช่ไหมคะทีนี้อบัณฑิตย่อมฝึกตนได้<ช>ที่<ช>ออปริมาณพูดทีนี้จะเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าคนบอกว่าฉันไม่รู้ตัวเองเป็นบัณฑิตหรือเปล่ารู้สึกว่าแย่ไม่ได้เรียนหนังสือไห้ได้อะไรสักอย่างอาจจะไม่ใช่บัณฑิตก็เลยไม่ฝึกตนเลยนะคะอืมบัณฑิตในที่นี้เนี่ยคือคนที่มีเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงอยู่ เครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของบัณฑิตเนี่ยคือมักจะพูดดีคิดดีทําดีแต่ถ้าเราพูดดีคิดดีทําดีนั่นแหละเป็นการที่เราฝึกตนแล้วค่ะใช่ปานงั้นก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวออกไปนะคะมีประเด็นกว้างขวางมากชีวิตนี้อย่าประมาทแก้ไขได้ถ้าพึ่งที่พึ่งที่ถูกต้องก็คือพึ่งธรรมะของพระาศาสดา ข, ของเราวันนี้ก็ขอนามส ก, การ ขอบพระคุณท่านไพียบูนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเชิญพานกันค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะและนี่ก็คือรายการสันสานีสนทนานะคะเมื่อจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่ที่เป็นตัวอย่างของธรรมะของพระพุทธเจ้าและมาถึงวันนี้ไม่เคยล้าสมัยนํามาใช้ได้อยู่เสมอแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นํำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดมงคลกับชีวิตที่เกิดมาครั้งหนึ่งของเรากันทุกคนนะคะวันนี้พุทธสวัสดีค่ะ